เดี๋ยวช่วดูแลสุเวดน ะ, ะเดี๋ยวเดยว เ, เดี๋ยวครับหมอมีอะไรลหรสุเวหมอหมอจะไปไหนแล้วครับก็จะไปรักษาคนเจ็บบนดอยน่ะสิผมไปด้วยครับสุเวเสือเหงื่อมากที่สําคัญสุเวเหนื่อยและเพลียมากไม่เหมาะที่จะเดินทางไกลหรอกเข้าใจไหมไม่ไเข้าใจหรอกครับอ้าวผมอยู่ที่นี่ไม่ได้นะครับ <ley> หมอทำไมล่ะหมอให้ผมอยู่แล้วผมจะกลับบ้านยังไงอ่ะก็รถสงแถวไงล่ะบนดอยมีรถสงแถววิ่งเวลาหนึ่งเที่ยว ผูน้นีเสียสายสุเวก็ค่อยนั่งรถสองแถวกลับดอยยังไงล่ะไม่ได้หรอกครับอืมถ้าไมจ่จะไม่ได้ผมเป็นห่วงพ่อหนุ่มคนนั้นเผื่อผมจะช่วยอะไรเขาได้บ้างจะช่วยอะไรเล่ะก็เกิดสมมุติว่าหมอต้องเอาเข้ามารักษาในอำเภอผมจะช่วยแบกเข้ามาไงหมอผมแข็งแรงนะแต่พ่อเท่าอ่ะไม่มีแรงพอที่จะแบกเขาหรอกอืมถ้าสุเวยยืนยันว่าจะกลับดอยพร้อมรถผ ม, ผมก็เอาไม่ว่ากัน แต่แน่ใจนะว่าไหวนะไหวครับผมไหวแน่นอนถ้าไม่ไหวผมจะทิ้งซูเวไว้กลางทางนะโหหมอหลอเล่นน ะ, ะผมรู้ว่าหมอเป็นคนขี้เล่นอ้าวไปกันได้หรือยังล่ะทีนี้เลยนะครับหมองั้นไปเลยซูเบอเดี๋ยวครับหมออะไรอีกล่ะซูเวนี่มากเกินจริงๆเลยให้นอนค้างที่นี่เลยดีไหมแล้วหมอไม่ให้พยาบาลไปด้วยหรือครับอืมไม่ต้องล็อกเหนื่อยพยาบาลก็บบเปล่าๆให้พยาบาลได้พักผ่อนมะกถ่ะ เหนื่อยกับคนไข้มาทั้งวันแล้วอ๋อครับแล้วหมอคุณดีรักษาได้หรือครับนี่สุเวผมนั่เป็นหมอนะแล้วที่สําคัญผมนคนที่ช่วยเผยแร่ศาสนาคริสต์ด้วยผมไม่โกหกใครหรอกเชื่อฝีมือแค่โดนยิงทันใช่ไหมละ่ะใช่ครับแต่หลายจุดนะครับไม่ได้โดนที่สําคัญนะผมไม่แน่ใจอะอ้าวแบบนี้ก็สงสัยดูกันแล้วละ่ะหวังว่าคงไม่เป็นไรนะพระเจ้าคงทรงช่วยพวกหนุ่มมงก่อคนนั้นนะไปกันเลยสุเวครับหมอ ลาสุเวท่าทางลุกลี้ลูกลงจากไหนผมเป็นห่วงเขานะครับอืมสูเวเป็นคนดีจริงๆไปรู้จักมากดีกันมาก่อนแต่เป็นห่วงเป็นใ ย, ยเหมือนญาติพี่น้อนงกันแหละผมไม่อยากเห็นเขาตายเลยครันั่นแหละถ้าลงนี้มีแต่คนใจดีอย่างสูเวยโลกใ บ, บนี้คขาญากอยู่มากๆฉะหละคิดดูสิวีม่มาหาผมได้ไงอะ่ะตั้งห้าสิบกว่ากิโลหาคนทําอย่างสูเวยไม่ได้แล้วละ่ะได้ครับได้จักไก่นคนดีกับผมก็มีหมอแล้วใครละ่ะ ผมก็ไม่รู้เท่านั้นเองเลยครับว่าเป็นใครนั่นแหละไม่รู้ก็แสดงว่าไม่มีก็คือว่าดูมังกรกนั่นรอดจะต้องขอบคุณซูเวยอย่างมากฉะเพราะนี่เท่ากับว่าชีวิตของเขาอยู่ในกํามือของซูเวฉะนะ้หมออย่าพูดเถอะผมรู้สึกละพองใจหน่อยเลยครับผมพูดจริงๆนะซูเว์ขอบคุณครับหมอเร็วกว่า น, นี้ได้ไหมครับหมอได้แต่ว่าแต่อะไรครับอาจจะดึงลงเหีตายตะคู่เอาไหมล่ะไม่ฮไม่ไม่ไม <c oughs> ผมยังไม่อยากตายนั่นน่ะสิ นุมน่มๆแข็งแกรงอย่างซูเวตายไปง่ายๆก็น่าเสียดายมากชละชาวดอยแม่สาเรียนจะต้องร้องไห้เสียใจยอย่างมากช่ะมีจริงหรอกหมอจริงสิจริงได้ไงทุกวันนี้ไม่มีใครสนใจผมหรอกซูเวคิดไปเองมากกว่าจริงจริงนะหมอไม่จริงหรอกโท่หมอ <laughs> เรเผลอหลับไปพอลืมตาตื่นแล้วก็รีบรุกจักเสือมองดูนาฬิกานี่เราหลีบหลับไปร่วมสี่ชั่วโมงเลยเหรอเนี่ยหลังจากป้อนข้าวหนุ่มบางกอกแล้วก็เผลอหลับไปมองไปยังที่นอนของหนุ่มบางกอกซึ่งอยู่ในห้องโถงแต่เอ๊ะไม่มีใครนอนอยู่เลยนี่นาก็หายไปไหนอะจะทำอะไรทำไมถึงไม่เรียกลุกใบแบบนี้เกิดเลือดตกในจะว่ายังไงได้ตายไม่แน่เลย ไมถึงได้อารมณ์เสียบ่อยนะก็ไม่รู้สิหนุ่มบังกอนเจ้าจอารมณ์แบบนี้ทุกคนรือเปล่านะคุณกำลังติดตามรับฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment ลบไลฉันไปพูดตอกและย้มทำร้ายใจแต่ฉันยังไม่ยอมไปสึกทีมีหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ฉันยังคงทนได้อย่างนี้ฉันเคยได้บอกเธอเคยได้ยําเธอแต่ว่ามันคงไม่เคยดังถึงใจเธอซะ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 เหมือนฉันได้เจอทุกสิ่งเหมือนฉันได้พบความจริง ติดตามรับฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รับนำเสนอโดย Nation Entertainment หายไปแล้ววะจ้ะาฮะวังให้นะมันหายไปจริงหรือหรือเนี่ยฮะจ้าไม่เห็นแล้วอฮ้ยดีๆออกไปดูข้างนอกหน่อยสิขึนเดินไปเองแล้วก็ได้ตายกลางทางแน่ๆเลยฝนฟ้าก็ตกตกหยุดหยุดซะด้วยไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตละงงานนี่เ อ, เอ้าดูสิเขาฟับอยู่ตรงบันไดชั้นบนเนี่ยจ้าพ่อเอ้า มาพุบกองตรงหัวบันไดนี่เอเดี๋ยวเด็พลัดตกหล่นไปตายแน่ๆพอนุ้นนเมอเอ้ยเอ้ยให้ฉันช่วยไหมจ๊ะอืมไม่เป็นไรครับเราค้องเข้าไปในบ้านได้นะเพรามีแรงพ อ, เ, อ, อเหรอก็ต้องร้องดูก่อนละ่ะอะอะทาอะไรฉันน่ะฮะทำอะไรปล่ อ, อยฉันะฉัจะไปหาหมอโอ้ยพอนุ้มยังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นต้องรอหมอมาอย่างเดียวเข้าไปนอนในบ้านก่อนไม่ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นฉันจะไปหาหมอปล่อยเข้าพ่อ ให้ตายตรงหัวบันไดนั่นแหละคนฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องไปตอแยทำไมอ่ะไม่น้ามาไว้บนบ้านเลยหล่อให้ตายตรงที่โดนยิงนั่นแหละดีแล้วนี่เธอเดี๋ยวหันไปจ้องหน้าฉันทำไมอย่าตายนะละัลูกนะกระโดดลงไปสิตรงหัวบันไดนั่นแหละทิ้มหัวลงไปเลยฉันจะไม่ช่วยเลยแม้แต่นิดหล่อยทห้ตายสมใจไปเลยคนใจดําแน่นอนอยากพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องทําไมเล่าเอเอเอ้าล่ะเอาล่ะเอาล่ะไปดองเถียงกัน เออให้งนี่กันนักเอาเรื่องเหมือนกันนันเนี่ยลากไปเลยสิพ่อเถิดประคองไปทำไมคนไม่รู้จักคุณคุณคนช่วยแทบตายมึงจะหาว่าเราจะฆ่าอีกมันได้ดื่มจะพิษตายไปซะเลยนะเธอเอาละลอนทีเดิมนี่แหละโอ๊ยเหนื่อยมากแล้วเกินเว้จะประคองใช่ไหมไมเนี่ยได้มาอยู่แล้วนี่อย่ามากเรื่องได้ไหมฮะ เธอดิ้ก็โดนันได้หรอกจนคานเต็มทนแล้วนะนี่เถออเอานะ่านางศิลาไปพูดแบบนี้กับมันได้ยังไงล่ะมันจะไม่ได้แล้วเขาพิเศษมาจากไหนทำดีแล้วไม่ได้ดีแล้วไปทำทำไมเล่าเอาทะลุเอ้ยทำดีไม่ต้องหวังผลอะไรจากใครเขหรอกยามพ่อนี่คุณอนอนอยู่นี่แหละถ้ายังอยับไปมาหรือว่าไปไหนอีกแล้วก็ <c oughs> จะได้ลงจากบ้านให้บูเกดูแลซะเลยโอ้ย ตัวลูกสาวบ้านที่ได้ดูเหมือนเสือนะโถ่ นี่ปล่อยฉันเจ็บตามบานบ้านสําหลังแคหลังนี้ใช่ไหมพวกแกใช้ยานของฉันน่ะซึ่งสถิ่นอยู่ในบ้านส้มๆหลังนี้ใช่ไหมโอ๊ยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันทีโอ๊ยอเผื่ออีกแล้วเห็นไหมเขาไม่ยอมหยุดร้องอ่ะปล่อยมันเถอะคนเจ็บจะต้องร้องอดคนอย่างนี้แล้วลูกเราไม่มียาอะไรให้กินใครเจ็บได้หรอพ่อไม่มีหรอกโดนยิงบาดเจ็บถึงมียาให้กินก็ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่า รอหมอดีกว่าลูกเกิดหมอมาตอนเช้าเลยจ๊ะพ่อก็ต้องเก็บกันถึงตอนเช้านั่นแล้ววะโธ<ฮ>่ทำไมล่ะลูกฮ<ม>ะคือฉันสงสารเขาอ่ะเฮ้ยใครเห็นก็ต้องสงสารมาเหมือนกันทั้งนั้นแหละแต่จะทำไงได้ล่ะทุกอย่างต้องรอหมอหมอเท่านั้นอะเรารักษาเองไม่ได้ลูกเพราะว่าเราน่าจะรองไหมจ๊ะรองอะไรอ่ะก็ เอาอมีดกรีดแผลที่โดนยิงเพื่อเอากระสุนออกมาไงล่ ะ, ะเฮ้ยทังสินละพี่เอ็งพูดอะไรเนี่ยฮะก็จริงๆนี่พ่อน่าจะลองทำอะไรสักอย่างนะดีกว่ารอหมอไม่รู้ว่าหมอจะมาตอนไหนและพี่ซูเวไปถึงโรงหมอหรือยังก็ไม่รู้สิจต่สูเวมันวิ่งเร็วมากไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าเชื่อพ่อนุ่มบังกอกนั่นไม่ตายหรอกนอกเสื้อจับว่างอกสกจับอะไรหรพ่อ นอกจากว่ามันถอดใจซะก่อนไงล่ะถอดใจเหรออืมใครหน่าไหนก็ตามลองได้ถอดใจแล้วก็ตายวันสองวันก็ละแล้วเขาจะเป็นอย่างนั้นไหมจ๊ะก็ต้องลองดูต่อไปตอนนี้ยังตอบอะไรไม่ได้หรอกโธไม่น่าเล ย, ยพ่อจ๊ะพ่ อ, อ, อน่นรอดของใครอ่ะวิ่งเข้ามาในหมู่บ้านเราอ่ะไฟน่ารอส่องสว่างมากเลยจ๊ะหมอ เป็นรถของหมอจริงๆด้วยจ้าพ่อหิอออบังกอกรอดตายล้วงานนี้หมอคะหมอเร็วๆค่ะคนเจ็บจะตายอยู่แล้วครับหมอ